ถ้าเกิดนึกอยากได้นะท่านก็รูปงามบริวารก็มากมายคนเดียวสองคนทะเลาะกันแทบตายนะแต่มีสองล้านน่าจะขนาดไหนนี่ก็พูดถึงว่ า, เ, าเนี่ยถ้าเห็นท่านนะรูปของท่านก็งามเป็นเทพบระบรูปงามเป็นต้นมีบริวารมากท่านแต่ละท่านก็ล้วนแต่เต็มไปด้วยความสุขสมบูรณ์ด้วยกามเน น, นี้เป็นภัยของการเห็นของของอัตมาว่านันคือถ้าหากว่า ถ้ได้เห็นท่านเนี่ยใจจะน้อมไปยังไงสรนะุปนยถ้าเห็นอย่างที่วันก่อนได้ฟังเรื่องพระนันทะใช่ไหมพระนันทะไปเห็นนางฟ้าเท่านั้นแหละไม่ศึกแล้วเนี่ยนะไม่ศึกแล้วขอท้าพระพุทธเจ้ารับรองว่าถ้าบวชจนตายแล้วได้นางฟ้านี่ก็จะบวชจนตายนี่แหละนะก็บอกว่ า, วายังไงก็ไม่ยอมศึกเด็ดขาดเหล่นั้นเพราะอะไรเพราะการเห็นเหล่านี้เนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความโลภเพราะอาตมาจึงไม่ต้องการเห็นเห็นอะไร เห็นท่านเพราะฉะนั้นถ้าจะให้พรท่านอยมาหาอีกเลยต่อไปนะแต่ถ้าผู้มีศีลมาเพื่อขออาหารจงมาแต่เท้าสักกะไม่ต้องมาเท้าสากากักกะก็พอกิติกล่าวอย่างนี้แล้วก็สาธุพระคุณเจ้าอดีแล้วนะตั้งแต่บัดนี้ไปข้าพเจ้าจะไม่มาหาพระคุณเจ้าอีกแล้วก็กราบดา บ, บทแล้วก็กลับไปพระโพธิสัตว์ท่านก็อยู่ในกาละทวีปนั้นจนตลอดชีวิตสิ้นอายุก็ไปเกิดใน พรห ม, มโลกเนี่ยนะเพราะว่าหมดถ้าเห็นเทวดามาเยี่ยมบ่อยๆชานเสื่อมแม่ก็เลยบอกว่าไม่ต้องเจอกันแล้วเนี่ยนะต่างคนต่างไปก็เลยรักษาฌานบำเพ็ญพรศจนได้เกิดในพรหมมาโลกบอกว่าเท้าสักกะครั้งนั้นก็คือพระนุรุทธะนะอคติบัณฑิตก็คือพระพุทธเจ้าของเรานั่นแหละมาสรุปทบทวนเรื่องราวของอกิติว่าท่านได้รับบารมีสิบเหล่านี้ นะบารมีสิบไอไให้เนี่ยก็คืออันหนึ่งแล้วใช่ไหมข้อแรกอยู่แล้ว ท, ที่ท่านให้ไปอ่ะนะเนคขมมะบารมีเพราะการออกไปของท่านอากิติเหมือนกับมหาพิเนสกรมเพราะเป็นการออกบวชใช่ไหมอันนี้เป็นเนคขมมะบารมีชาติที่เป็นอกิติท่านก็มีการออกบวชชื่อว่าเป็นศีลบารมีเพราะท่านมีศีลสมาจาร์ความประพฤติของศีลเนี่ยที่บริสุทธิ์ด้วยดีเป็นกา ร, รประพฤติศีลอย่างสะอาด ขาดเดียวกันท่านข่มกามมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกกกำจัดอากุศลวิตตกได้เป็นอย่างดีอันนี้เป็นวิริยะบา ร, รมีเพราะวิริยะนี่คือการห้ามอากุศลวิตกออกไปได้คันติบา ร, รมีก็คือท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีความอดทนอย่างยอดเยี่ยมถ้าคนไม่อดทนเนี่ยนะถ้าขาดอาหารสักมือหนึ่งอะไรจะเกิดขึ้นโอ้เปองมือหรอกขาดแค่ชั่วโมงเดียวนี่ก็ยุ่งแล้วนะเรียกว่าผิดเวลาหน่อยก็เดือดร้อนนะ ในคำว่าไม่มีความอดทนเนี่ยขาดขันติถ้าสัจจะบารมีล่ะท่านบอกว่าท่านทําอะไรท่านก็ทําอย่างที่ที่ให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงท่านบอกว่าท่านจะให้ทานท่านก็ให้จริงท่านบอกว่าท่านรักษาศีลเป็นต้นท่านก็ทําจริงอย่างที่ที่ได้พูดนั่นแหละอันนี้แหละเขาเรียกว่าสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีของท่านก็คือตั้งใจสมาทานแบบไม่หวั่นไหวในที่ทั้งพวง ทุกอย่างที่ท่านทําเนี่ยนะท่านทําด้วยความไม่หวั่นไหวตลอดเวลาทานที่ท่านให้ก็ให้แบบไม่หวั่นไหวศีลที่รักษาก็รักษาแบบไม่หวั่นไหวเนคคัมมะขันติบุญทุกอย่างที่ท่านทําเนี่ยท่านทําด้วยความตั้งใจมั่นจริงๆนะไม่มีคําว่าเปลี่ยนไม่เปลียปล่ยนไม่แปลง เ, เด็ดขาดคือบางคนเนี่ยนะให้ตามที่ที่พูดก็จริงแต่ว่าใจนี่ไม่หวัน่นใจนี่อะไรนะใจนี่แป๊วเลยนะ ไม่น่าบอกมากขนาดนี้เลยแต่ให้สัน้อยกว่า น, นี้สักหน่อยหนึ่งก็น่าจะดีอย่างนี้บางคนนี่นเป็นอย่างนั้นนะคือคืออันนี้เรียกว่าความหวั่นไหวทางจิตใจส่วนเมตตาบารมีก็เพราะมีอัธยาศัยเกื้อกูลในสรรพสัตว์ทั้งหลายคนที่ให้ทานได้เนี่ยคือคือต้องการให้ผู้รับมีความสุขใช่ไหมเพราะเราเราให้ทานกับเอาของไปทิ้งขยะมันคนละอย่างกันนะเพราะการให้ทานก็คือว่าว่าสิ่งที่เราให้จะเป็นประโยชน์ต่อ ผู้รับเนี่ยนะผู้รับก็จะได้มีประโยชน์อันนี้แสดงว่ามีเมตตาเนี่ยนะมีอัธยาศัยที่เป็นเมตตาอุเบคาคืออะไรอุเบคาบารมีเพราะถึงความเป็นกลางในความปกติที่สัตว์และสังขารกระทําแล้วหมายคือว่าปกติผิดปกติของคนเนี่ยเกี่ยวข้องกันเป็นยังไงถ้าผิดปกติหมายคือว่าถ้าเขามาแสดงอาการที่ไม่เหมาะสมเป็นต้นเนี่ยนะอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ทําใจเป็นกลางได้ไม่ฟูขึ้นเพราะราบไม่ยุบลงเพราะเสื่อมราบเป็นต้นอันนี้ลักษณะเป็นอุเบกขาวางใจเป็นกลางได้นะไม่เรียกว่าวางใจเป็นกลางไม่ไม่ฟูแล้วก็ไม่แฟบเป็นต้นนะส่วนปัญญาปัญญาบารมีคือปัญญาที่เป็นอุปายะโกศลท่านฉลาดในอุบายมากเลยนยะถ้าไม่ฉลาดในอุบายจะทําอย่างนี้ได้ไหม เช่นว่าพอได้ข่าวว่าท่านมีมรดกเท่านั้นท่านคิดยังไงอันนี้เป็นอุบายโกศลของท่านแต่ว่าคนที่จะฉลาดอย่างนี้ได้ก็สหาชาตปัญญาเป็นคนที่ติเหตุกะปฏิสนธิอะนะเพราะจิตที่นําเกิดของเขาเนี่เป็นจิตที่ประกอบด้วยปัญญาเนื่องจากพื้นเพเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วเนี่ยก็เลยทําให้มีอุปายโกศลมีอุปายโกศลหมายความว่าคิดอะไรได้อย่าง ฉับพลันเพราะพอฟังเหตุการณ์หนึ่งอย่างปั๊บเนี่ยท่านรู้เลยว่าท่านจะได้บารมีอะไรขึ้นมาบ้างคนที่มีอุปายโกศล น, นี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆเนละพอฟังอะไรหนึ่งคําปั๊บรู้เลยว่าได้โอกาสให้ทานและได้โอกาสรักษาศีลได้โอกาสเจริญเนคขัมมะได้บ่มปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานเมตตาและอุเบกขาความที่ที่มีปัญญาเนี่ยนะที่เป็นอุบายโกศลมองทุกอย่างเนี่ยเป็นเป็นกุศลได้หมดเลย สามารถที่จะเจริญกุศลได้ในทุกอารมณ์และเหตุการณ์ได้อันนี้เรียกว่าอุปา ย, ยากุศลความฉลาดแต่ความฉลาดอันนี้อาศัยพื้นเพว่าเดิมมาเนี่ยเป็นพวกติเหตุกะปฏิสนที่เรียกว่าสหชาติปัญญาปัญญาที่มาตั้งแต่เกิดแล้วเหมนกนขณะเดียวกันท่านก็มีปัญญาที่จะประพฤติขัดเกลากิเลสเรียกว่ารู้มีวิธีมีอุบายมีทิศ ท, ทางในการประพฤติขัดเกลากิเลสว่าทายังไง แหมละกิเลสบางคนบอกโอ้โกิเลสนะั้นมันน่าอะไรอาวรบนึกเกินคือท่านมีปัญญาที่จะทําใจไม่ให้เศร้าหมองได้คือท่านฉลาดทําจิตให้ไม่เศร้าหมองจะได้ราบหรือเสื่อมราบเนี่ยนะท่านคิดได้อะโดยที่รักษาใจโดยที่ไม่ไม่เดือดร้อนไม่เศร้าหมองไม่ขุนมัวเป็นต้นขณะเดียวกันท่านก็รู้ว่าอะไรเป็นอุปการะต่อทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจ ท, ทิฏฐานเมตตาและ อุเบกขารู้นะว่าอะไรไม่เป็นอุปการะต่อบารมีอะไรเป็นอุปการะต่อบารมีอะไรเกื้อกูลทําให้เจริญบารมีได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอะไรมั่งเป็นสาเหตุที่ทําให้บารมีเสียหายอย่างเช่นท่านบอกว่าขอข้าพเจ้าอย่าได้คบคนพานอันนี้แสดงว่าคนพานไม่ได้เกื้อกูลต่อการสร้างบารมีอะไรเลยแต่บัณฑิตคือผู้ที่มีอุปการะต่อบารมีอกุศลไม่เป็นอุปการะต่อบารมีกุศลเป็น อุปการะต่อบารมีการฟังธรรมเป็นอุปการะต่อการสร้างบารมีการฟังอสัตธรรมเป็นอุปการะไหมการฟังอสัตธรรมไม่เป็นอุปการะต่อการสร้างบารมีอันนี้ก็คือเป็นปัญญาเพราะนปัญญาตัวนี้แหละทำให้ละสิ่งที่ไม่เป็นอุปการะทำให้ประพฤติมุ่งอยู่แต่ในธรรมที่เป็นอุปการะสามารถเจริญกุศลที่เป็นอุปการะต่อการสร้างบารมีได้สาเร็จ เทศนาอันเป็นไปแล้วด้วยทานเป็นประธาน น, นะอ ย, อย่างอย่างอกิติบัณฑิตเนี่ยนะอกิติกิริยาเนี่ยยกทานยกการให้เป็นประธานอันเป็นความกว้างขวางอย่างยิ่งนักของผู้มีอัธยาศัยในการให้ทานเพราะว่าธรรมเหล่าใดมีประเภทไม่ใช่น้อยธรรมะเหล่านั้นเป็นร้อยธรรมะเหล่านั้น่ะเป็นพันแล้วก็เป็นโพธิสมผานเป็นการสั่งสมเพื่อตรัสรู้ และก็เป็นคุณธรรมของพระโพธิสัตว์สิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะจะนับหนึ่งก็ได้ใช่ไหมคุณธรรมของพระโพธิสัตว์นะัเรามาลองจําแนกดูว่าจะนับเป็นหนึ่งก็ได้หนึ่งคืออะไรกรุณานี่แหละเป็นเหตุให้ท่านกระทําบุญได้สําเร็จในที่ทั้งปวงถ้าท่านไม่กรุณาต่อสาว菩萨ทั้งหลายท่านจะให้ทานได้ไหมก็การให้ทานก็เพื่อจะปลดเปลื้องความทุกข์ของเขาอ่ะนะ ให้เขาได้รับประโยชน์เพราะการให้ทานรักษาศีลเจริญเนคขมมะเป็นต้นเนี่ยอันนี้เพราะกรุณานี่แหละทำให้ทำจนประสบความสำเร็จกรุณานี่เป็นปัจจัยให้สร้างบุญบารมีทั้งหลายที่จะปลดเปลื้องหมู่สัตว์ให้พ้นทุกข์เพื่อที่จะทำให้สรพรพสัตว์ทั้งหลายประสบแต่ความสุขอันนี้กรุณาสิ่งที่พระองค์ทำเนี่ยนะจะนับเป็นสองก็ได้คืออะไรบุญยะสมผานและญาณสมผาน ทั้งสองเนี่ยนะเขาเรียกว่าแบ่งออกเป็นสองก็คือบุญยสัมภาระกับญาณสัมภาระบุญคืออะไรคือทานศีลเนคขมมะวิริยะขันติสัจจะทิ่ฐานเมตตาอุเบกขาพวกนี้เรียกว่าบุญแต่ปัญญานี่สาคัญเพราะนนั้บางคนนี่เอาแต่บุญไม่สนใจปัญญาใช่ไหมพวกนี้ก็ประสบผลของบุญมากแต่ไม่มีปัญญาจะใช้ผลแห่งบุญเอาเอาผลของบุญไปทาในสิ่งที่เสียหาย เพราะฉะนั้นบุญกับปัญญานี่สำคัญจริงๆปัญญาก็นับเนื่องในบุญแต่ว่าปัญญาสําคัญมากถ้าเทียบกับบุญอื่นๆว่างั้นเถอะเรียกว่าปัญญาสําคัญกว่าบุญทุกชนิดถ้ามีปัญญาจะรู้วิธีทําบุญถ้ามีปัญญาจะรักษาบุญต่อไปได้เนี่ยนะฮั้นปัญญานี่สําคัญแต่ไม่ใช่บุญไม่สําคัญแต่ว่าบุญกับปัญญานั้นต้องมาควบคู่กันไปการให้ทานถ้าจะดีก็ต้องมีปัญญาประกอบ การจะรักษาศีลจะดีก็ต้องมีปัญญาประกอบการจะเจริญสมถะทั้งหลายเจริญเมตตาจเจริญคันติสัจจะถ้ามีปัญญาประกอบสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นไปได้อย่างตลอดรอดฝั่งมันคุณธรรมของพระโพธิสัตว์จะนับเป็นสองก็ได้คือบุญยาสมผานกับญาณสมผานแบ่งเป็นสามก็ได้สามก็คือเป็นความประพฤติสุจริทางกายวาจาและใจเป็นการเจริญคุณงามความดีทางกายวาจาใจ นับเป็นสี่ก็ได้คืออธิฐานธรรม4ประการมีอะไรบ้างจารคาธิฐานอุปสมาที่ฐานปัญญาที่ฐานอัน น, นข้อแรกนะสัจจาที่ฐานสองจารคาที่ฐานสาอุปสมาธิฐานแล้วก็ปัญญาที่ฐานพวกนี้ก็เดี๋ยวเราจะเรียนข้างหน้านู้นะในหน้าหกร้าสิบจะมีข้างหน้าต่อไปขณะเดียวกันก็ยังมีพุทธภูมิอีก4ี่คุณธรรมของพระโพธิสัตว์คือพุทธภูมิ4ี่ พุทธภูมิสี่คืออะไรก็คืออุตสาหะความภาคเพียรพยายามเป็นต้นเห็นแล้วก็พุทธภูมิคือปัญญาพุทธภูมิคืออวัตถนาะการตั้งใจมั่นมีความมั่นคงพุทธภูมิคือหิตจริยาคือประพฤติอยู่ด้วยเมตตาและกรุณาอันนี้ก็เป็นคุณธรรมที่มีอยู่ประจาใจของพระโพธิสัตว์ขณะเดียวกันพระโพธิสัตว์ก็มีธรรมะเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณอีก5ประการคือ ท่านมีวิธีการเจริญศรัทธามีวิธีการเจริญวิริยะมีวิธีการเจริญสติมีวิธีการเจริญสมาธิและปัญญาเพราะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นเครื่องอบรมอริยมรรคเป็นเครื่องอบรมสัพพัญญุตญาณพระโพธิสัตว์มีอัธยาศัยอีกหกอย่างอัธยาศัยของท่านคืออโลพัธยาสัยอัธยาศัยไม่โลภอโทสัธยาสัยอัธยาศัยไม่โกรธ อโมหะทญาสายอัธยาสายไม่ลุ่มหลงท่านมีเนคขมัธยาสายอัธยาสายออกจากกามท่านมีวิเวกทยาสายอัธยาสัยในการสงัดกายวิเวกเป็นต้นขณะเดียวกันท่านมีนิสรณัธยาสัยท่านมีอัธยาสัยที่จะสลัดออกจากวัตตะทั้งหมดอัธยาสัยหกนะก็คืออะโลภาอโทสาอโมหะเนคขมัตวิเวกและนิสรณะพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านมีปฏิญญาอีกเจ็ดประการ ปฏิญญาของท่านท่านว่าไงบ้างเราข้ามแล้วก็จะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเราพ้นแล้วก็จะให้ผู้อื่นพ้นด้วยเราฝึกแล้วก็จะให้ผู้อื่นฝึกด้วยเราสงบแล้วก็จะให้ผู้อื่นสงบด้วยเราปรินิพานแล้วก็จะให้ผู้อื่นปรินิพานด้วยเราบริสุทธิ์แล้วก็จะให้ผู้อื่นบริสุทธิ์ด้วยเราตรัสรู้แล้วก็จะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเนี่ยนะเ้าเรียกว่าปฏิญาณเจประการของท่านนะทวนใหม่นะหนึ่งเราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วย เราหลุดพ้นแล้วก็จะให้ผู้อื่นหลุดพ้นด้วยก็สามก็ เ, ม เ, เราฝึกแล้วก็จะให้ผู้ฝึกผู้อื่นได้ ด, ด้วยก็สี่ก็เราสงบแล้วก็จะให้ผู้อื่นได้สงบด้วยสงบหรือโล่งใจอันเดียวกันอ่าต่อไปห้าเราปรินิพานแล้วจะให้ผู้อื่นปรินิพานด้วยเจ็ดเออหกนะเราบริสุทธิ์แล้ ว, ลวก็จะให้ผู้อื่นบริสุทธิ์ด้วยสุดท้ายก็คือ เราตรัสรู้แล้วก็จะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยอันนี้เป็นปฏิญญาเจประการของท่านขณะเดียวกันท่านก็ยังมีมหาปริสวิตกเนี่ยนะมีการตรึกแบบมหาบุรุษ8ประการมหาบุรุษนี่เขาตรึกยังไงว่าคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยนะคุณธรรมของผู้ที่ปฏิบัติเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเขาเป็นผู้มักน้อยไม่ใช่มักมาก เป็นเรื่องของผู้สันโดษไม่ใช่สังสมเป็นผู้ที่วิเวกไม่ใช่คลุกคลีเป็นผู้มีความเพียรไม่ใช่มีความเกียจคร้านเป็นผู้มีสติตั้งมั่นไม่ใช่ไม่ใช่เลอะเลือนเนี่ยนะเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นไม่ใช่ฟุ้งซ่านเป็นผู้มีปัญญาไม่ใช่โง่เขลาแล้วก็เป็นผู้ที่มีเครื่องไม่เนิ่นช้าเป็นที่มายันดีคือมีอัธยาศัยในพระนิพพาน นะก็คือมักน้อยสันโดษวิเวกมีความเพียรมีสติตั้งมั่นมีจิตตั้งมั่นมีปัญญายินดีในพระนิพพานนั่นแหละอันนี้เรียกว่าเป็นคุณธรรมของมหาบุรุษนะเป็นเป็นอะไรนะมหาบุริษสวิตตกนะเป็นการตรึกของมหาบุรุษทั้งหลายท่านก็ยังมีคุณธรรมเก้าประการคืออะไรท่านมีธรรมมีโยนิโสมนาสิการเป็นมูลีกเกคือโยนิโสของท่านเนี่ยนะเป็นเหตุให้เกิดให้ให้ใหท่านได้รับความ ปราโมทความปราโมททาให้ท่านเกิดปีติปีติเป็นเหตุให้เกิดปัสสัทธิปัสสัทธิทําให้ได้รับความสุขความสุขทําให้ได้เกิดสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นก็รู้เห็นตามเป็นจริงคือนิพถนามื่อรู้เห็นตามเป็นจริงก็ย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็ย่อมคลายกําหนัดพัะโยนิโสเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดปราโมทปีติปัสสัทธิสุขสมาธิยถาภูตยานทัศนะนิพิถาและ วิราคะอันนี้คือเรื่ธรรมกะธรรมมโยนิโสเป็นมูล9ท่านก็ยังมีอัธยาศัยอีก10ประการอัธยาศัยของมหาบุรุษสิ ป, ประการคืออะไรอัธยาศัยในการให้ทานอัธยาศัยในการรักษาศีลอัธยาศัยในการเจริญเนกขมมะอัธยาศัยในการเจริญปัญญาอัธยาศัยในการเจริญมิรยะก็คือมีอัธยาศัยในการเจริญบารมีสิบนั่นแหละ และขณะเดียวกันท่านยังมีอัธยาศัยในการเจริญบุญญกิริยาวัตถุสิคือทานศีลภาวนาการอ่อนน้อมถ่อมตนการช่วยเหลือการอุทิศส่วนกุศลการอนุโมทนาบุญที่คนอื่นทํานะท่านมีอัธยาศัยชอบฟังธรรมชอบแสดงรมทำความเห็นให้ถูกให้ตรงอันนี้ก็เป็นอัธยาศัยของของท่านานะเพราะฉะนั้นคุณธรรมของพระโพธิสัตว์จะนับ1 2 3 4งสองสามก็ก็ได้หมดเลยนะจะเอาเท่าไหร่ดี หมดเลยนะมันก็ว่าเอาเริ่มไสายหมดเลยอย่างนั้นเนี่ยศรัทธาหมดเลยฟังแล้วผ่องสายหมดเลยไปทใชง่วงหมดเลยกันนะแล้วก็คุณคู่นานุภาพของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะก็ยังมีอย่างอื่นอีกนะว่าท่านสามารถล ะ, อะกองสมบัติกองใหญ่ได้ละวงสาคนาญาติใหญ่ได้ก็สามารถที่จะออกจากเรือนคือมหาพิเนศกรมเรียกมหาเนฆขมะนะออกได้ครั้นออกไปแล้วเมื่อบวช ซึ่งชนเป็นอันมากกรับรู้ก็ไม่เกี่ยวข้องในตระกูลท่านก็เป็นผู้ที่ไม่ติดข้องในตระกูลไม่ติดข้องในคณะเพราะเป็นผู้มักน้อยอย่างยิ่งรังเกียจลาบสการะสรรเสริญอย่างสิ้นเชิงยินดีในความสงัดวิเวกวางเฉยในร่างกายกระม่อมใหม่อะไรร่างกายและชีวิตสละอาหารอดอาหารยินดีด้วยความอิ่มในทานมีใจมีความสุขกับขุสรธรรมเนี่ยนะเขาถือว่า ถ้าสังเกตดูให้ดีๆเนี่ยนะพระโพธิสัตว์คือคนที่เห็นกุศลเป็นสาระไม่ได้เห็นมหาพูทธรูปสีเป็นสาระเนี่ยนะถ้าแยกให้ดูนะว่ามหาพูทธรูปทั้งที่มีวิญญาณครองไม่มีวิญญาณครองท่านไม่ได้เห็นเป็นสาระแต่เห็นกุศลที่เกิดจากการเกี่ยวข้องกับมหาพูทธรูปสีเป็นสาระท่านสมาทานประพฤติกุศลไม่ได้สมาทานเอามหาพูทธรูปเนีย่ยนะมันท่านจึงไม่ยินดีในทาน แม้สามวันร่างกายของท่านก็ไม่ได้ผิดปกติเมื่อมีผู้ขอก็ให้อาหารอยู่อย่างนั้นท่านตั้งใจว่าถ้ามีคนข อ, อย่างไงจะให้เป็นเดือนก็ได้จิตไม่ท้อถอยในการบริจาคเพราะมีอัธยาศัยในการให้อย่างกว้างขวางไหมขอพร อ, อะไรนะขอพรขอให้ข้าพเจ้ามีอาหารเยอะๆขอให้คนมีศีลมารับแล้วก็ศรัท ธ, ธาที่ให้ก็ไม่รู้จักหมดจากสิ้น ของที่ให้ก็ไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้แล้วก็ไม่ต้องเสียใจในภายหลังกําลังให้ใจก็พองใสพองใสอันนี้นะอันนี้คืออัธยาศัยของท่านทั้นให้แล้วก็เป็นการประพฤติขัดเกลาเพราะการให้ของท่านเนี่ยท่านให้เพื่อให้มั่งให้มีใช่ไหมบอกไม่ท่านให้เพื่อคุณงามความดีเรียกว่าให้เพื่อการให้ให้เพื่อบุญขณะเดียวกันก็สิ่งที่ให้แล้วก็ไม่ได้ต้องการแสวงหา สรุปเป็นว่าน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาแลว้วพระมหาสัตว์นะนะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้สแสวงหาคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่จริงๆสังเกตดูนะท่านสแสวงหาคุณธรรมอย่างที่เราสวดกันนะผู้สแสวงหาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะ์นขันธ์ที่ใหญ่สแสวงหาการกําจัดบาปอากุศลธรรมอย่างยิ่งใหญ่สแสวงหากุศลธรรม อย่างยิ่งใหญ่สแสวงหาโพธิปัจจยธรรมที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สแสวงหาอมตะนิพพานตรมัตที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่อย่างไรก็ยิ่งใหญ่บอกว่าถ้าพระองค์ตรัสรู้แล้วก็จะให้ผู้อื่นได้ตรัสรู้ตามท่านนั้นเป็นผู้ที่มีพระมหากรุณาท่านเป็นนักปราชญ์ที่รู้ประโยชน์โลกนี้รู้ประโยชน์โลกหน้ารู้จักประโยชน์อย่างยิ่งเป็นเผ่าพันธุเอกของสัรพสัตว์ทั้งโลกพูดง่ายๆว่าเนี่ยคือญาติของสัตว์ทั้งโลกเลย เผ่าพันเอกหมแปลว่าญาติสนิทของสัตว์ทั้งโลกว่า ง, งั้นเถอะท่านคือญาติสนิทจริงๆเพราะท่านไม่เป็นข้าศึกศัตรูกับผู้ใดพระมหาสัตว์ผู้เป็นโพธิสัตว์สแสวงหาโพธิญาณมีอนุภาพเป็นอาจินไตคือว่าอนุภาพเป็นอาจินไตแปลว่านึกยังไงก็ไม่จบไม่สิ้นมีพระสัตว์ธรรมเป็นโคจรคือใจของท่านท่องเที่ยวไปในสัตว์ธรรมทั้งหลายคือธรรมของสัตว์บุรุษทั้งหลายนะ ในการทุกเมือ่อจิตใจของท่านเป็นไปกับพระสัต ธ, ธรรมเสมอมีความประพฤติขัดเกลากิเลสอย่างหมดจดพายุใหญ่พายุใหญ่นี่ทำัไงพัดมหาสมุทรให้มีคลื่นซัดเป็นวงกลมพระโพธิสัตว์เนี่ยกระโดดข้ามแดนนั้นไปได้อันนี้ถือว่าไม่เรื่องไม่ใช่เรื่องธรรมดาใช่คือในท่ามกลางทะเลคือสังสารวัตรเนี่ยนะใจของสัตว์ทั้งหลายโดยมากตนีหรือให้ทานต์นี น้อมไปเพื่อจะทำชั่วหรือทำดีทำชั่วฉันใดแต่ท่านกระโจนออกได้อะนะทะเลของสังสารวัตที่เต็มอย่างเนี่ยท่านออกได้พระโพธิสัตว์เหล่านั้นเนี่ยนะแม้เป็นผู้เจริญโดยสัญชาติในโลกเป็นผู้อบรมดีแล้วก็ไม่ติดด้วยโลกธรรม ท, ทั้งหลายใจของท่านไม่เปื้อนด้วยโลกธกรรมเหมือนดอกบัวไม่เปื้อนด้วยน้าฉะนั้นจะเห็นดอกบัวเปื้อนด้วยน้ำไหมฉันใดพระโพธิสัตว์เมื่อเกิดมาในโลก จเจริญเติบโตในโลกแต่ก็ไม่ติดโลกไม่เปื้อนด้วยโลกโลกโลกธรรมทั้งหลายไม่ฉาบทาจิตใจของท่านฉันนั้นความสเนาสเน่หาเสน่หาตัวนี้ก็คือเยื่อใยในสัพพสัตวเพราะการุณาในสัตว์ทั้งหลายย่อมจเจริญโดยประการที่ละความสเสน่หาในตนออกไปของพระมหาศัตว์ท่านกรุณาในสัตว์อื่นจนจนอะไรนะจนละความเยื่อใยในตัวเองได้หมดะ จนหมายคือว่าทําทุกอย่างเพื่อสัตว์อื่นได้ทั้งหมดนะนะเรียกว่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตอุทิศชีวิตทั้งหมดเพื่อคนอื่นนะไม่ใช่อุทิศชาติเดียวอุทิศ ต, ตลอดเท่าไหร่สอาสงไขยแสนกับอุทิศชีวิตทั้งหมดเพื่อคนอื่นไว้ใครที่เรียนคุณธรรมรู้จักคุณธรรมพระพุทธเจ้ามากเนี่ยนะรู้สึกจะอ่านพระไตรปิฎกได้สนุกขึ้นนะนะเรียกว่ารู้อัธยาศัยของผู้สอนใช่ไหมถ้าไม่อย่างนั้นก็สงสยัยท่านสอนอย่างนี้ทําไม ่เราก็สงสัยพระพุทธเจ้าอยู่นั่นแหละทำไมท่านมาสอนเราอย่างนี้ตรงกันข้ามกับความคิดของเราหมดเลยแต่ถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่ท่านสอนทั้งหมดเป็นความหวังดีของท่านที่มีต่อเราเราก็จะไม่เบื่อหน่ายขณะเดียวกันสิ่งที่ท่านทำเนี่ยนะกรรมคือสิ่งที่ท่านทำย่อมอยู่ในอำนาจท่านไม่เป็นไปตามอำนาจของกรรมคือเป็นผู้ที่กาหนดสิ่งที่ทาคาที่พูดความรู้สึกนึกคิดได้ ไม่ใช่ท่านเนี่ยโอ้ยล่องลอยแล้วแต่ใครจะชวนไปทาอะไรก็ไปหมดไม่สิ่งที่ท่านทำทั้งหมดท่านกําหนดเองได้หมดเลยเหมือนอะไรเหมือนจิตอยู่ในอำนาจท่านไม่ใช่เป็นคนที่เป็นไปตามอำนาจของจิตเนี่ยนะเขเรียกว่าคุมจิตได้เหมงนนั้นเถอะนวณ ว, ว่าสั่งจิตได้ให้ไหลไปทางทิศไหนก็ได้กาหนดได้พระโพธิสัตว์เหล่านั้นเที่ยวสแสวงหาโพธิญาณอันโทสะไม่ครอบงา ไม่เกิดขึ้นเหมือนกับผู้เหมือนกับคนทั้งหลายที่รู้ถึงความเสื่อมคนที่เสื่อมลาบเสื่อมยศเสื่อมทราบเสื่อมอะไรทั้งหลายนี่เข้าใจเข้าเป็นยังไงปกติแล้วเป็นยังไงเศ้าหมองใช่ไหมหอเหี่ยวแห้งเลยแหบเบื่อนายเสื่องซึมท้อถอยใเรียกว่าคนที่ผิดหวังเนี่ยนะสมมติอย่างอะไรนะฟังข่าวว่าแผ่นดินถลม่มหญ้าตายเว็นบานเลยอย่างนี้ถามว่าใจจะเป็นยังไงแห้งแรงไหมโอยแห้งแรงแต่ว่าผู้ที่สแสวงหาโพธิญาณไม่ได้จิตใจแบบนั้นเลย ตรงกันข้ามจิตใจนี่ไงดีใจที่จะให้ทานดีใจที่จะรักษาศีลดีใจที่จะเจริญคุณงามความดีมีแต่จะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลานะท่านผู้มีคุณธรรมเหล่านี้ที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะแม้ใจเลื่อมใสในท่านเหล่านั้นก็พ้นจากทุกได้จะพูดไปทำไมถึงการปฏิบัติตามท่านเหล่านั้นโดยสมควรแก่ทมเล่า พระโพธิสัตว์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายแค่เรายังจิตให้เลื่อมใสเนี่ยนะเราก็พ้นจากอบายทุกขติวินิบัติอย่างน้อยหนึ่งชาติละแต่ถ้าปฏิบัติตามท่านจริงๆเนี่ยนะบรรลุธรรมโดยสมควรแก่โล ก, กุตระธรรมถ้าปฏิบัติธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันพ้นจากทุกแน่นอนไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าท่านทาทุกอย่างเพื่อเพื่อเราเนี่ยนะท่านททุกอย่างเพื่อเรา มันท่านทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราทั้งหลายถ้าเราเข้าใจทราบซึ้งถึงเจตนาลมของอพระโพธิสัตว์ที่บําเพ็ญบารมีจนได้เป็นพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนอารยธรรมเหล่านี้เนี่ยนะเราก็คงที่จะมีความสุขในการศึกษาปฏิบัติตามโดยที่ไม่หวาดระแวงใช่ไหมไม่งั้นก็โอ้ยใจก็ลุ่มลุ ม, ลมดนด น, นี่จริงหรือจริงหรือทําแล้วมันดียังไงอ่ะนะแหมสงสัยนี่มันเป็นตะปูเครื่องตรึงใจที่ร้ายแรงมากทําให้ไม่ เจริญงอกงามในพระศาสนาการฟังจริยาปิดกสำหรับวันนี้ก็ขอจงเป็นไปเพื่อให้มีศรัทธาปริสฐานตั้งมั่นมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงในพรัตนะ ต, นตรยเจริญคุณงามความดีตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อบรมแล้วจงเป็นไปเพื่อตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นจากทุกข์ในโลกนี้พ้นจากทุกข์ในโลกหน้าแล้วก็พ้นจากวัตทุกข์ทั้งสิ้นโดยประการทั้งปวงทั่วกันอนุโมทนาจนนุร